แนที่สนกึ่ค่พ้นที่สองตัวเสงพันห้า้นมาัาบ้านาจังหัดอุดรธานพระพุทเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัด ว, ว่าเป็นสถานที่สำคัญในเพศอย่างพลเมจันของท่านคือสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มา ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เป็นไปกับความสังัดทั้ทงนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ยเดียวไม่ได้คล่องแวะกับสิ่งใดๆทางนั้น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 ผลประจักษ์กับพระไทยหรือยกับใจของสามุกก็ได้กระจายออกมาเป็นาศาสนธรรมื่อกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเครียดต่อความพ้มทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกัน จะพาออย่างยิงย่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้พอปรากฏว่าดนเอทานพระธรรมไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันเรเด่นดับขันทัปรเรนีผ่านมาถึงกระทั่งถึงวันน้งก็สองพันห้าร้อยปีเ็ษเศ ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปั่นเป็นไปด้วยเีตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความพนใจให้ดนิงลและข้ามพ้นจากทุกไปได้ตามพระองค์เจ้าแหลมสมทั้งหลายธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้า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 จนถึงสัมมาสมาธิก็กรากบวบ่าเป็นมัตติมาดีเสมอไม่เคยละบทบาทและผลผลที่พระองค์เจ้าโดยทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเกีเ่ยวเนื่องถึง สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏเป็นไปตามพระาวาท์ของพระองค์เจ้าทุกๆชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระาวาท์ที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคำที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตา ไม่เคยลักความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ตำหนิหานธรรมที่พระองค์ที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยหุผลเพียงคำว่าอ น, นิจจัง คำเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะทราบทั่วทั้งโลกกถาเป็นสิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้จึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมชั้นนี้อีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารียออกมามาสี่ร่างกาย จนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วๆไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอ น, นิจจังเช่นพระ อ, องค์เจ้าตรัสไว้ผู้ประกาศคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายงา่า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 อ น, นิจจังทุกขังอนาตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของมนัสัตต์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่วๆไปอีกที่ใจและข้าปลาอาศัยเป็นเดือนร่างของตนก็าตาหรือสภาพอื่นๆก็าตาแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัด สำหรับสัตว์ผู้มีใจกรให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักคืออนิจจังทุกขังอ น, าานัตตาเป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บนร่างกายของสัตว์ทุกๆจำพวก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 ให้นอกเหนือจากพระอาวาดที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างชอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระอาวาดคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัจจิมาดิกาอกเนะัเต ไม่มีที่จะเบี่ยงบายหรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัติมาก็ตรัสชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้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 สำหรับท่านผู้สนใจพินิตพิจารนาในไตรลักษณ์นี้ให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นค่าสึกสำหรับคนที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตน สิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในก็จะกลายเป็นตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของตนขึ้นมาเมื่อตนได้เสกสรรเอาแล้วว่านี้เป็นของตนนั่นนี่เป็นตนแล้วแม้สภาวะทั้งหลายจะเป็นไปตามสภ า, ภาพของขอข้อที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 ที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุกบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะเหตุแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพ ร, ดพระภูมิพลภาคเจา้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจนาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจมแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา ว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเทียงได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็าดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้ จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุธทธเจ้าแลรสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการไหนมาก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 เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของใจรักแล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราที่จะเปี่ยวไปเกี่ยวข้องหรือติดม่นผัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในใจรักเราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบาก หมนเยียนเปลี่ยนตัวเองอยู่สลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นโงจักรทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทักในไตรลักษ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษ์เป็นหินลับพินิจพิจารณา ด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งตรายลักษณ์ภายนอกทั้งตรายลักษณ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วตรายลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะ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 จงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อย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 เขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้ากท้านั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาด บ, บากไปแล้วกลายเป็นคนสองสามกระดิงไป น, นี่เขาเรียกว่าคนบอถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็มร้อยเปอร์ซ็ คนที่มีสติเดินไปตามถนน้นทางพูดจาพาธีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินถือไปไหนมาไหนและทำจิตการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชม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 กิริยามนัยญาติหน้าดูหน้าถมหน้าฝังทางนั้นเพราะพร้อมด้วยสติเนี่ยพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นตึกแผ่นแน่นหนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเชื่อจะละรอบข้อ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 ปัญญาเป็นของสำคัญในอิธิบาททั้งสี่เป็นทั้งคำเครื่องหนุนเป็นทั้งการทำที่แท้จริง้วยชั้นทะที่เรียกว่าทำเป็นเครื่องหนุนวิริยะ จิตตะทั้งสามจัดว่าเป็นธรรมเครื่องหนุนแขนทาทมีความพอใจในการตั้งสติ mm hmm. วิริยะิตตมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักไป่ในการตั้งสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น mm hmm. ปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริง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 การจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่ิีอย่างที่น่ะประเพณีของ ศ, ศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกทุกโตไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่ เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกันโง่าตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบผูเขาทั้งลูกสิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทันทิ่งนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้อง แก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราโดยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายุึสํำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกคุณแจ ลูกสาคัญที่สุดที่จะจะแก้ไขทั้งส่วนหยาบที่สุดส่วนกรางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นดนำักสติเราจะอบรมอย่างไรจรึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้ เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วดุวส า, ารถตองอาศัยการตั้งเสมอตั้งได้ทุกิยาบทยิ่งเป็นการดีสติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเกลียวเชือกที่คันติดกันดีความสัมผัสถึงหน่อย ให้มีคติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้นเสมอไปการพยายามตั้งคติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยกินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนค้นทางเราจะมองดูสองภาคทางครับหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุแห่งความเผลอของเรา ที่ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันรู้จักเรี่ยงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยวิธีพิพจิตริจารณานรรเลสะน้อยตั้งนรรเลกะน้อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวน้การพิจารณาในสภาวธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้น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 ความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่ศักไม่สแสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนอยู่ตลอดเวลาปร้อยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืน ใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้เจรดอาสวะหรือสิ่งแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่นด้ผลที่สุดก็มาร้อนลุมอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะทำาม้อะไร พอเราโปรยช่องโปรยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทานเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอิริยาบทด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจ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 มาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปนะนอกจากเราสังสมเครื่องกดขวงจิตใจของลงของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นผู้กั้นกลางหวงห้ามความประสงค์ของเรา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 ที่เคลื่อนไหวแม้อย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคูดคือกิเลสอยู่เล ย, ด, เ ด, ยดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคูดคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันต่า ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาให้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไปเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เรา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 เราได้รับความทุกข์จาแน่แต่น้อยก็าตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าข ม, มูไทยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสําต้อและขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นนั้นให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของหน่อ ถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับ่าตุึกประเภทนั้นแล้ว่าตุศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่ ห, หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจำนว น, นมากอันเราจะต้องฝึกปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงแหลแต่ควรจับเงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็น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 ขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายใหม่ของเราเดเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสาคัญขึ้นเป็นลํำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุ ก, การณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลํำดับเช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้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 และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี่เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์ยากลำบากสยูเช่นนี้ขอใหาพากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้ว จงเป็นผู้เห็นความสำคัญในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอินียบทของตนยาให้ขาดว่าขาดตอนท่านตั้งหลายจากฟ้าใจชนะคือความตัดขาดจากความเป็นคงจักตนของคือตนของตนเป็นผู้หมุนยันตนเองได้นในวันหนึ่งแน่ จะกลายเป็นของเพียงขึ้นมาในธรรมชาติที่เคยหมุนเยี่ยนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักขีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความเกิดตายการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเยี่ยนของเราได้ และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กี่คับงกี่คั้ไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจําได้หรือไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่เป็นของสําคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญาจนถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกองจักคืออวิชชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่ เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นเราเห็นอยูน่น้าบัดนี้ถ้าหมไปเราลองคิดดูที่ว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหนมืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกันห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกัน เช่นอย่างขนาดนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้นี่ลัษณะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลาบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้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 เป็ดก็เห็นว่าดีน้ําตะเคราะห์ที่มีดีที่ไหนน้ําตามถนนค้นถังเป็ดเขาเที่ยวเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ํากลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้โทของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้น นะครัก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในข่าวเป็นตัวใช้อยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตนเช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กเล็กน้อยน้อยเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ํำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเดือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุขนี้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรสิทีว่า เขาจะมีความสุขแค่ไห น, นมีความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดจิตติดใจอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้เท่านั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิพพานังปรมังสุขขัง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 ที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทรแต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในมุิไปเสียคำว่าวมุติอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุดใดๆเป็นชื่อแห่งสภาวะ อันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนามโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมมติเพื่อจะให้เป็นคู่เคียง ก, กันกับสมมุตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องหิี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติ เพื่อทำวิมุตนั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเองจนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตนั้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุต้นั้นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตินี้ไม่ใช่แดนแห่งการเย็นเกิดเย็นตาย ไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำๆสักๆหมุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่นบัติเราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความลุดพล น, นั่นแหละจงเป็นผู้มีความ อาฐานน่าเรอต่อความภาคความเพียรความตั้งสติความทุจริตนานในทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเงาหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสี้ไว้ให้แนบสนิท ก, กับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถมแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้ กายทุกคิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้เรียกว่ากายเวทนาทุขทุกเฉยๆที่เป็นปรญญาทางกายและเป็นปัญาทางใจเรียกว่าเหตน า, าจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้<ม>เรียกว่าจิตธรรมคือจริงที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้อง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 ที่เรามีความเพียรสัมพันธ์เจริญเมืองกลุ่มอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแต่กล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตนิธรรมนี้ได้ หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสี่นี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแก่ตนเองนี่แล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุตที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสีเท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุตพระนิทาน เราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเดือนที่ไหนพิงทราบว่าผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากนี้แดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่ น, นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุได้แก่การพุยเจรนาการเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดแต่ว่าอ น, นิจจังก็ให้ชัดทุกขังอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตร ล, ลักษณ์ใด เรื่องการพิจารณากายกับเวทนากิจธรรมเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปนู้นวางอันนี้แล้วจับโนนสภาวะธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตัาหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นกิตเวทนาและกายเวทนา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 สติปัฏฐานสี่นี้โดยรำพังตนเองมีเรียกว่าครับพูดถึงเรื่องความสุขก็เป็นความสุขในมุมซึ่งนอกไปจากแดนสมมติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็ก เรามีความรู้สึกอย่างไวิทยามาญาติการไปการมาการพูการจากาันทํากิจการงานอะไรก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนะั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุขความโง่ความฉลาดซึ่งเคยเป็นมาของเรากลับมาถึงขั้นที่ว่านี้แล้ว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 สติของพระพุธทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนดุกพ้นไปได้กลายเป็นศาสตราของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นข้าศึกแต่ตนเท่ห์ความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นฆ้าศึกต่อตน แต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นค่าสิทธิอตอตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความททษแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นอลองตั้งลองดู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 พระพุทเจ้าและสาวกใครเป็นผู้รืฟื้นให้พระองค์ท่าน อ, อัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกวันหน้าเราก็ทุกวันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสทั่วหัวและใครจะมาถอนตูห้องเราพ้นจากสภาวะหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาถารนั่นเลย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 เป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเปลี่ยนอะไรจะมีราคาจิ้งก่าตัวของเราเราไม่รักเราเราไม่สงวนเราเราไม่ลื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมาลื้อฟื้นเรามาหาความสุขอันสมบูรณ์ให้เรา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 ร้ายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความมง่ของเราจงพยายามดับแลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่งจิตใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลา ด้วยสติกับปัญญาของเราเราจะได้เห็นแ่งแดงหลุดผลจากองค์สมเด็จพระภุมิพระภาพเจ้าและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านติดตางทั้งนั้ตั้งแต่สถานที่ที่พระองค์เจ้าทรงประทับอยู่และประ ก, กอบความพาดความเทียน จนกระทั่งถึงไน้ตรัสรู้มาเป็นศาสนาของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พงพอใจได้นำธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจรงดำเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายาความขยันหมั่นเพียรความก้าหายหน้าดี อย่านำตัวที่เกลียดทีร่างเข้าไปเป็นศาสดราทแทนพระองค์เจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาที่หัวใจดวงนะจงนําศาสนา ท, ที่แท้จริงคือพระโอวาท ค, คาสอนขอเข้ามาผู้ตรีจ้าเข้ามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตนตลอดเวลาอย่าเห็นใครว่ายิ่งกว่าศาสดราที่พระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบทำ เราตั้งหนาก็จะได้ประสบพบเห็นจึงความสุขความเจริญในวันหนึ่งแน่ๆนโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเย่างท่านี้นเองละ